สัญญางกลาเป็นคำปฏิอาคือที่มีฉายเดีตไห่อืมแต่จริงๆคือถ้าการเจ็บถึงว่าติดธรรมสอนเนี่ยอืมเป็นรธรรมทานอันนี้เพราะว่าทาสมาธิจนได้เอ่อความสุขในสมาธิแล้เติดอยู่ใช่ไหมคเรื่องของสมาธิแม้แต่ปัญญาเองจะติด พระพสอนตนี้มันเป็นว่าสอนคือคือพระพุทธ่อนของเรื่เชื่อให่งครบแท้คืออันนั้นเป็นพระพุทธสอนที่เวลาพอคนคิดเดิมจริงๆเป็นอย่างนั้นนะคิดเดิมี่หมายถึงว่าเดิมของวัฏจักรในหมายถึงเดิมที่บริสุทธิ์แล้วนะมันเปลีย่ยนไง จะอาที่คเหตุกรณเข้ามาเอาเข้ากับเรื่องความคิความปรุงเองตเนี่ยกานเข้ามากัอย่างรเข้ามาเรื่อไปเห็นรูปเป็นอย่างนั้นได้ยินเสียงเป็นอย่างนั้นดองขั้นพัเราเนี่ยเอาเข้ามาเอข้ามาเนี่ยทีอว่าพิเดการเข้ามาการเข้ามา้วยคือเราคือเราเปรี้ยวเอาเปร้ยเอาจับพู้จับเสียงเนี่ยยินงนั้นเข้าใจอย่างนั้นสั้นันอย่างงั้นขั้นันเราเปมาเป็นเรื่องะเอ็ดนกเข้ามาหาของเนี่ยทีอว่าพิเดจการมาจออย่านี่มดู่ก็พิเดการมาเปอย่างนั้นนะ ก็ระมาจากเราที่ออกไปก้าออกไปหาลูกมุกหาเสีย ง, งออกไปแล้วมันไม่ไดเ้เฉยๆออกไปแล้วมันต้องออกไปหาเรื่องมาาเขาคืออะไรนะถ้ามันเอาเรื่องมันก็เข้ามาเพื่อมันก็จะมนแจกจีนแจกคันนออกไปมันไม่ อ, มไมมอยู่จนล้วนเฉพาะมันเนื้อแจกจิงจากคะแนนไปที่เรยุ่งไปหมดถึงความ เกิดอวิชาใดๆมันก็มันก็ไม่ปรากฏเทมันอันนี้มันตกคุณหมดแล้วดิมเกิดจากนี้เองเลยไม่บกไม่เห่อะเข้าใจเหรอที่ความความสงสัยล้วก็ไม่เห็นไม่รู้แต่ตัวเองก็าเข้าใจว่าขอผ่านสอนหน่อยรู้ไหมแล้วมันไม่เข้าใจอะไรเลยแต่น้ำมันมันมันคุมสิจดม่คุมก็ยไม่รู้เลยพระพุทธเจ้าบอกว่าเดิมมันเป็นด่างน้ำเห่านั้นหละ คือพ่อเราไม่รุ่นเองเพรนไอ้ไอ้ไอ้มันของใหม่เนี่ยมันมาปกคุมเขาอีกมากมายเนียนม่รู้เวลาเขาเาว่าเพนี้มันจะเข้าไปถึงตรงนั้นไนกรมันนะคือมันเข้าในทางทัล่าของเราเนี่ยชั้น่าเข้าไปชั้นลาเข้าไปชํานลเข้าไปเข้าไปมันก็เข้าไปถึงตรงนั้นคือผู้บัญชาการเขาชาเองจริงไม่ต้องหาพระพุทธเจ้าบอกว่างั้นง่ายนะ มีพระพุเจ้บอกโดยที่พวกเราไม่ไม่รู้เลยไม่เคยรู้เลยแบบนั้นนี่ย ท, ที่ที่พระงบอกอางนั้นเน่ยพมอคราวเราไปรีบบอกก็ไปไปรีบบอ ก, กไปแต่ถึงนั้นเราก็รู้เองว่าของใสแต่ส่วนที่เราจะรู้ว่านี้อริยสาหรืออริยสานั้นเป็นอีกแน่หนึ่งมก็รู้ว่าของใสมันคว้านะหนความากเลยไม่ยอมปล่อยงอนะจะว่าแต่ว่าอะไรสมาธิอะไรติดหรือหรือว่าปัญญาติดไม่รู้วปัญญามันก็นไม่ใา่ไปถึงนั้นแ้วมันยอมเลย ดีๆมัเป็นองค์รักอ mm ัน hmm. น um ี้เลยม่ักษาไม่ให้อมาแตะตองไม่อะแรแตะต้องมันตัดถึงกว่านี้ยม่รักษานี่พระพศนัยเพราว่าแสบเนเพราะวนปัญาเป็นลายกลายเป็นองค์กรักอันนี้เลยไมักษาผมไม่ได้ข้่ทำาย้ใจล็กนืมเนี่ยพระพศนัยท่องคาบปฏิวัติคือคือมันแฉเขาไปแฉเขาไปตัดเขาไปจนมระั่งถึงพระพศน่ยอันนี้เ็นได้ชัดแล้วก็ไปติดตรงนั้นใช่ตรงนั้น ทุกดี use use, uh, ่ท er, ี่จะทำลายเอกภสวรรคนนี้โหวคนนี้น่าจะเชื่อเด้ไม่ก็รับเราใช้เค่งมือไฟลันักษณะญานกับแต่ตุลย์ไทยแตอาจารนี่่คืออนการสุขารณ์กต่างกับดูว่าให้เห็นเป็นราคามุตมหาทีกว่นเป็นของที่อะไรเราแค่ดูมันก็เหมือนเราเราดูสภาวอากันอื่นเอง ขึ้นความโกรธเกิดขึ้นเราจะดูว่าของความโกเวรยนงานที่เกิดขึ้นจากความโกก็คือทุกเวรยงานทีเกิดขึ้นแล้วก็ดูดูแค่หนึ่งเด่กหนดดูเราไม่เห็นว่าความโกรเป็นเราเราเห็นว่าความโกที่เป็นท่าติดกัเราเมื่อการทูกเป็นท่าิดกันเรวเขาไม่เอาเราเป็นทาติดการแต่เราก็ว่ามันต่างเลยท่าติดกันเราไม่ถึนะเราก็ต้องต่อสู้การต่อสู้กัทุกการกําหนด ว่ามันจะเคลื่อไหวไปยังไงต้องไงควาทุกผลผลของความโกรธมันเกิดขึ้นมาความโกลธมันพุ่งเยอะแยะแหละแต่ผมันแสดงขึ้นมาคืความที่รย้อนในตัวเองมันเป็นผลงความโกรธแล้วความพุ่นั้นมันจะปากฏผิดในจิตถ้หกัมลดลูอ่ามันเกิดขึ้นมาจากความโกความโกรธเกิดขึ้นแล้วมันดับหรือถ้าความโกรธจะไม่ดับมันก็มันก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแต่ความโกรธมันมันง่ายไปอันนี้มันก็ยังต้องมีกัมนด ดูดูนั้นน่ยเด็กปัญญาของเราเนี่ยถ้าถ้าจ้างก็เป็นปรญญาค่อยจ้างทั้ง เ, เดี่ยอ่าได้สุดยวนีค่อยจำประจาไใบก็รู้ถ้ากำหนดจ้างอย่างน้นอ่ะเราก็มีโอกาสที่จะไปที่ไปโกกอะไรายได้เป็ัไละ่ะเพราะจิตขัดหน้าที่อันเยเห็นพทษนี้มันย่อมไกำเริบในการในระยะต่อไปเราจะไม่เห็นโวษแล้วมันพุ่งนนไปเรื่อยคือเราเห็ น, พนเพราะว่า เ, เราโกรธแค่นี้นน ที่เมาไเที่ยวเ่นั้นมันก็ยิ่งเสรขึ้นเรื่อยๆเลยความความปวดกระเสริมความทุกข์กระเสริมเนเพราะวาอันนี้ไม่ไม่ใช่เป็นเป็นไทยความโวดะห่าวเป็นไทยมันย้อนกลับมาเสรมเขาย้าก็มาเรก็เสิมไทยมันก็พิจารณาความัเป็นพัสส่วนที่เกิดขึ้นมันไปเหลงหไเื่อย่ว่าหลังจากที่เราติดก้อนสกอนสเนี่ย ถ้าจะทรลยคิดที่สามาสอนอานี้ก็ต้อง่อใจอันนี้เช <f art lane> ่นเดียวกับเรากหนดกาหนดเรื่องความโกนะต่อต่อเค่องเล่งดูนั่นอันนี้เป็นอะไรเปนชื่อว่านะถงนี่เป็นอนิจจังสุขของนาคาถึงเป็นจังสมกัดเช่นรูปอนิจจังุของนาคาเทีนาเป็นกนิจจังสุขาคาเยนาั้งขันวิญญาณเป็นอนิจจังสุขของนาคาทีนี้มันกะรู้เท่นหมดแล้วข้อความที่จรงเาด้วยอนิจจังของนาคะ แล้วอันนี้จะอะไรนั่นก็อเหมือนกันกำหนดก็ไทีนี้มันก็ไม่นอนใจกับนนี้เ่อว่าอันนี้เป็นอะไรแล้วก็เป็นข้อูกใจรู้ไมแล้วก็มีข้อทั้งเกตขึ้น้าพราังเกตขึ้นถ้าิจะเจานั่นปัญญาครับ่อยสังเกตดว่าการทั้งเกตหรือการคิดนานมันเรื่องของปัญญาปัญญาอย่างนี้อย่างหนึ่ปนัญญาอย่างเดียวเพรกปัญญาอย่างนี้ปัญญาในครั้งนี้มันไม่ไม่ปัญญาอย่างจะคิดทั้งเกตดจะอะไรแะมันท่มันเรงม mm ันกาหนดมันทั tumors, mm ้งเกตดูนทัลอเราไปดนั่นแหละ มันเหมือนกับอมเพ่นนะแค่นี้พอเพราะมันยังน้อยแล้วปัญญามก็ถามามากจุนมก็เรามากให้นานจะจายเลยเราจึงรู้ว่าอ๋ออันนี้เป็นอะไรไอ้ไอ้ไอ้ขีวัดข้อส อ, อ, อ, อบอ น, นี่มันไม่ใช่ปัญญามามบ่อนเพราะมันเป็นสมมติเนี่ย มันก็สลายแต่ตัวมันไปได้ถ้าบอกว่าเป็นความจริงแล้วมันสลายมันได้ไอ้คู่เป็นตัวจริงคือผู้ติดก็จะสลายไปได้ใครที่ดูเวลไอ้ตัวอภว่าพร่อนนี่ยทุกคนทอสิษอยู่เนี่ยมันชนะแต่ความรู้มันไม่เห็นแสลายไอ้ความรู้นี้มันดิ้งมันดิ้งเด่นกันนั่นอีกเพราะว่าหินร้ยเท่ากันเท่านั้นแหละค่อนข้างที่เราก็ว่าอันนี้มันวิเศษสุดเลยถึงต้องรักขึข้างหัวขนาดถึงปัญญาข่านนั้นมันึงไม่ยอมทิ้งนะฮะมันก็แสดงว่ามันขนาดไหนว่ามันนัจะ มันยอมไหวตัวไลูก oh, ติดก็ใจไหวตัวไปลุกติดเอาวิชาอยู่จนถึงงานอืมอดูแล้วที่น so ี่น like well, like like, ี่ลที่เราเราความั้องการตัวเอง่าขนาว่ามันลึกเจขนาไหนไม่อย่างนั้นมันจะไปสมองจะรับาย่ยังไงมันค้อยต้องพันอย่างมากถ้าเรื่งทั้งๆที่เราว่าอันนี้สำคัญมากพอปัญญากำหนดเข้าไปที่เขาไปอันนี้สลับแบบอันนั่นขึ้นมาเรถึงเห็นโพษาโหโห่เน่ ว่าเห็นโทษเห็นความหลงอันนี้เหมันกับความคิดคอยแท้ๆอนหลังแลวอันนี้จะเป็นอะไรเมื่อเห็นแต่ก่อนว่าอันนี้เป็นอะไรแต่แล้วมันอการมีควมคิดคอยอันนี้จะเป็นอะไรคือนั่นแหละความสูงกระบกา น, นี่คอความพิเกระวารนีเ อ, อย่างน้นงเา อ, อยาไปตั้งความอยากอะไรก็ตามถ้าตั้งความาอยากลงไปอยากให้มันดับเนี่ น, นั่นแหละมันเษที่เลย <laughs> มันไม่ดับ <laughs> อือฮะฮัไม่เอาดเขาไปแต่แต่้าวไม่ได้มันจะข้าวไล้เขาไม่ไ้เข้าไปเลรับมันก็ช่วยแต่ละที่ใช่ไมันต้องมาทําไปข้าวไอ้ดิเจ้ากิเลสไปข้าวกิเลสไม่ได้มัต้องเสริมมันดับแม่จะทุกข์เกิดขึ้นอย่างที่อธิบายแล้วทั้งหมดัวลาทุกข์ทางกายทางใจเกิดขึ้นเราจะอยากอยากให้มันดับเฉยๆไม่ได้จะต้องเสริมต้องให้ชาตความจริงมันมีความมุ่งชื่นแต่ชาติความจริงของมันจะนั่นเอาข่าวมันลงไปนั่นหลักเป็นทางทางเดิน ก็จ เ, เป็นมกทางแค่เลยพูดเองได้แต่คิดก็พัสอนนี่อาจจะหลงได้โอ้ไม่ถึงไานต้องหลงกันเลยจจลไม่ไต้องดุยจากอื่นแล้วม่มน่าถนัดใจว่าต้องหลงกันเลย<ช>อือต้องหลงอนอกจากจะได้รับคำแนะนำจากครูอาจารย์ไปแล้วนนถึงจะขนาดหลายประก็รเกิดมาหลายปรารมันเราเชื่อ คูอวาการพูดอย่างนั้นเ น, นียความเชื่อนี่มันเลยมีกําลังมากที่จะต้องพ <Okay. S 1> ิจารณาได้นะอ <Okay. S 1> อืถึงจะทลายขนาดไหนความที่เาาราเชื่อคูวาการหรือเชื่ออะเชื่อคำที่ได้กลอนนั้นนี่มันมันเหลือก่อนนี้มันจะต้องยอมพิจารณาข้ <Okay. S 1> อแม้มยังคนลงทางทางนี้เปลี่ยนลงทางนี้ลกๆถามว่าจะไปบ้านกอไปบ้านไหน <Okay. S 2> ทางไบ้านกอไปทางนี้ ที่บ้านไหนจะบ้านขอเราอยากไปบ้านขอแต่ว่าเขารู้ทางเขาบอกเราเ้าจะขุดในบ้านขอเงินมันก็ไม่ถูกบ้านขอที่ เ, าเราอยากไปบ้านขอทางนี้มันโลกุงลังไม่อยากจะไปแต่ก็ถ้าเขารู้ทางนี่ถามเขาออเขาบอกไม่ต้องขุดแต่ตา ม, มนั้นมันก็ไปเจอบ้านกอต า, า, ามความเหมาะสมแตว่าเจ้าตามใจของเราโดนมาบ้านขอแล้วบ้านไหนบ้านงอไปเรืเ่อยเรื่อยหาย ไ, ไ, ไปเลยเนี่ยหมายถึงว่าความเตียนลงนี่คือความเป็นสิ่งที่เร า, าชอาใจใช่ไหมล่ะเพราะกุ้งลังเราก็อยาไป อันนี้มันมันก็ะ่ำไฉเนี่มันก็เหมือนเรียนโรคเหมือนที่ว่าี่ดมันก็อยไปตรงนี้คืออยาูไม่อยากปล่อว่าว่าก็แค่ก็มาที่นี่ติดต่องมาที่นี่ละเอียดที่ไนเรื่องที่สงบตัวเข้าไปมันไม่ถึงขั้นแล้นมันติดถ้านั้นเป็นกรมที่ไม่เป็นกมที่ประตามันเป็นอย่างนั้น สืจิตทำหน้าเข้าไปถึงขั้นนั้นแล้วขันเป็นอย่างนั้นการมันจะเข้าๆบ้างจะเข้าบ้างมันเข้าตามความละเอียดขงมันทานไม่เข้าอย่างแบบติตธรรมดาห้องรังทำไมลักษณะเขาเฉ้าเนีความเข้าก and, ับเวทนาไม่เกิดขึ้นมีกันเนี่ยทุกเวทนาตามตั้นงมันก็มึนคือมันทุกเวทนาละเอียดันจิกันไม่จิตอเราหนึเข้าเ่ มันจะต้องเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาแนมันละเอีย ด, ด้วยกันไม่ใช่ว่าจะเป็นทุกอย่างธรรมดาเราเนะเป็นทุกตามขั้นตามขั้นละเอียดเภ า, น, ออากก น, เนายี่ยมไม่ออกสา ก, กับสามขุนอียมออนายเราสกัทุกขเวทนาขึ้นมาแต่งควมันเบียดอที่มอก็มันเบียบอยู่ที อาตุกว่าทุกะเวทนาเฉยๆมาอันนี้อันนี่ยิ่งสำคัญทำให้เพิ่มไปเลยมันเสียแล้วยิ่งสบายเพิมไปเลยนี่อาวการยิ่งเขาบีกเวทนาเามันยิ่งหลับไปสุดจิของไปัําขัญนอย่างนี้เลยนะเข้าใจไหมอืมไปทั้งขั้นอย่างนี้พอฝุกเวทนาันยิ่งหลับไปเลยที่ยไม่ยอมสลับนี่จิตมันต้องมีอยู่สาม ใครก็มีฐานทมีฐานว่าเข้าไป็นตั้งละเอียดมันจึงรู้เป็นอะไรมาเกี่ยวข้อง ม, มันก็รู้เอจะจะรู้ไอ้นี่ไม่ใช่หอกพอรู้แล้วมันจะหาทางไปได้เนยะรู้แล้วมันมันก็เพิ่มไปอีกเหมือนกันว่าไหม <c oughs> มันเพิ่มมันหลับก็ได้เหมือนกันแต่มันมันรู้ ไขรวันแก้เงนได้มีทางแก้นก็ได้คือว่าอี้ก็เข้าใจลอืมนานกายงเนหมุเลยอน้อจะดีเร่าก็มันก็มีแล้วั ภายในภายในเวทนาในเวทนาแต่เมื่อาติอธิบายก็้เวทนานนอกคนอธิบายจะทุนข์ในการปฏิญาติอธิบายเวทนาก็ดีมันขัดกันดีกับหลักปฏิบัตินี่เรื่คู่ตรงนะเพราะไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยในารนอกมายถึงการเวทนาว่างนะในเรื่อาวปฏิบัตินะในารในหมายถึงจิตกรเวทนาและน่าจะท่มงนี่นะไม่ไปที่อื่นแล้วมันถูกการสุตที่จะแก้ด้วยใช่นห เป็นอืไปรู้เรื่ของเขาอะไรเนี่ยคนนั้นคัดลองเดียวกันเราเอฮิปเปอโกท่านจงมาดูธรรมของจริงให้เขามาดูอะไรเน่เนี่ยมันขัดกันอย่างนี้นเพื่อที่ตรงไหนขัดเราบอกว่าผัดการข่าว ป, ปฏิบัติเพราะเราก็รู้อย่างนั้นหนึ่งอืเราจะไม่เราพูดได้ไงเราต้องพูดวบบนั้นเลยเอฮิปเปอโกท่านต้งมาดูเรียกเขาามาดูของจริงเรียกใครมาดูเดี๋ยวเขาจะออกค้อนแต่นอกอาวัย เขาไม่รู้เรื่องรู้ราวเช่อย่างเรียกไอ้คุณอาคันมาดูแล้วเช่นจะโยนเข้ามันมันดูเรียกมันมาดูทานี่เดี๋ยวมันกัดหัวเอาคนที่ใจมันใหญ่นั้นมีใช่ไหมนี่เอวติโกท่านไม่ไหมายงั้นเองโกมันท่าทายท่านยูนี่หน้าท่านจงดูนี่หน้าวางังไาลนั้นต่างหางนี่คือผู้ปฏิบัติผู้ถใจอย่จะรู้ความจริงนี่หน้าความจริงมันท่าทายท่านอย่าท่านดูหน้าดูคงนีนาวางั้นต่างหานี่หลกปฏิบัันไปางนั้นนั่ ถกกแล้วี่น้าเอีไหเรียกมาเดี๋ยวจะเป็นอาจารย์ินนาาไบาดแล้วเป็นใคทำเส็แล้วยังอืมนี่คอยรำคาญเราทเร็จแล้วพันที่ไหนาเสร็จแล้วไปม่เทิหรอทวันไหนเขาเช่าอะไรวนยังไม่เร็จอบเข้าไปแล้วเขาตามเาเขาเข้าไปแล้วเทิก่อนทั้งน่าคาไพบาดนนเ็นกระเทืองก็ไม่ถนัดนี่นี่เอฮีแบบนี้แ้วแบบเขาบอกบ้าปดีหน่อยอืมจนเขาเห็นนี้หมดเขามองเหมาแล้วเดี๋ยวเจะเข้ามาดีากกว่าไง คือท um mm. ah? ่านจะป่วยที่ทับโภเหเป็นโรคมะไรอย่างอื่ซึ่งพอหายจากปวยหน้าห่ังกล้วมันกลับมาเป็นเรื่องหลังก็เป็นแบบนั่นก่อนใการชินเราเนี่ยยินสบาดแม่กลับบ้านได้ง่ายแล้วแม่กลับง่ายๆก็จะเทศสอนคอยทาขนมนุ่งทำที่ไหนประามประวงเห็นฉันเลยแล้วยังคืออาตมาันึ่งคเด็นแล้วคุณยงอาตมาหนึ่งคำเด่นแล้วคนนี้เขาเด่นได้ทั้งก็เขาเด็นแล้เขาเด่นขั้นบ้า ไม like so ja ่ใครไม่อยากเป็นบ้าแล้วก็เป็นหนีอยู่ว่างไงไหนเขาเรียนได้เขาเฉยเนี่แหะเองที่จะโกงแบบนี้ใครอยากได้เหรออ่าที่อายการทุเรียนนี่นี่และของจริงเราเขมีใจเลยเองที่จะโกงนี่ใครผู้ปฏิบัติธรรมทุกใครอยากลุกของจริงในธรรมของจริงมันค่าใครเนี่ยาตจะทำอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่คันรู้ที่นี่นั่นข้ามหมายอะไรย่างนั้นแล้วเราพี่าราที่นี่มันก็รู้นี่จริงๆเนี่ยคือว่ากายในการนอกอะ คือคนไกในไกลนอกเราจะพิจารณาคนอื่นเราก็เพราะพิจารณาได้เพราะว่าจนเรียนพิารณาในไกลนอกนี่หมายถึงกายสิทิ์เชื่อทั้าพนิพพานอิจต์เป็นอย่งนึงนะอันนี้การในไกลนอกเนี้ยเราได้ตากุได้ในเราไกลนอกนี่หมายถึงการอหยาดนี้พิจารณามีคล้อยไปแก่มีแล้วมันมันเป็นภาพหนึ่งอภายในสิมันจะมันมาพิจารณาภายใิทอยู่เป็นภาพ่อยู่ข้างหลังเราพิจารณาไปงั้นนะ นี่เราไปแน่ของอย่างนี้อีกเหมือนกันอาจจะคัดข้านเปพนเราเรารู้อย่างนี้คือผาแบบนี้มันมันปล่อยจิตในขั้นขั้นที่ปล่อยกาเนี่ปล่อยกายนี้หมดไปแล้วที่นี่มันก็เอาผ้าของกายนี่แหละเข้อยู่ใิแต่เมื่ยอมพิจารากายไงมันมันพอใจพิจารณาผ้าที่ออกจากกายที่เข้าไปอยู่ในจิตแล้วมันกำหนดนี่ผ้านี่หมดไปแต่ยังเหลือผ้านี้เขากหนดผ้านี้ไปมหมดไแล้วนั่นหะเป็นอากาศของผ้าว่างหมดทีเนี่ย เร่องันะที cat, HI, on, um top, then, ่แกมันยังไม่ล่างข้ามนหาแต่ภาพหยาบาพแต่ภาพละเอียดเข้าอยู่ในสิตมันกำหนดภาบมันเขอยู่ในสถิตแต่จะให้วินานนี้มันไม่หย่อนเข้าอยู่ในสินี้มันนามันจะมันจะไหลจะตั้งเพิ่มภาพมันจะไหลตั้ง่พอนานพอนานเขาไม่จะไหลไหลจะนหลหมดเลยะออกมามันว่างใข้าวรดีก่าหนางาใในใจนอกเป็นอย่างนี้ขเราออกจากการปฏิบัติลุกจากการปฏินัริมันเป็นอยงนี้ฉะนั้นพอพอภายในสิตที่มันหมดไป คีิตมันว่างเลหละธรรมชาติของมันเองคือว่างตามธรรมชาติมันเลยว่างตามธรรมชาตันเองทำไมเราอะไรก็ว่างได้กันหมดเองแม้แต่ตระลาอะไรนี่เนมองด้วยตานี่ยมองพอเป็นลางๆเป็นเงาๆไปไอ้จิดมันทะลุไปหมดฉันดินทั้งแผ็นกันเหมือนกันดินมีแผ่นดินมีกำหนดนี่มันทะไปหมดด้วยควาว่างของจินั้นมีอะไรเหลือเลยว่างหมดคือเขาเหม้อนนั้นหมดชุ่ทชื่วลูก สงครามบ้านขงใม่สี่ขั้นย่างเลยน่ที่จิตี่เองเป็นผู้ว่างั่นก็มีนั่นาจะว่าว่างเขาว่าง็ได้งาไมมีอกันหาอะไรให้ตัวเองเนี่ยไปหาเรื่องเขาเดี๋ยวเป็นย่างนนี่ย่างนี่นี่า้ที่อานักิเนี่ยเจเนี้ยตอเแแล้ววางมอะไรก็ว่างหมดอือเขาเหมือนเด็กคนที่เป็นจะอยู่็นสะพาน ไปอยากรู้มาก่อนมองที่ไหนก็ว่างหมดว่างหมดไอ้ตรงนี้มันม่่างเงตรงขึ้นไม่ใช่ว่างเลนี่จะวางอะไรเราอยู่กับนาทอนระเบียบบนนา่อนนี่มองไงอะไรก็เลยมีไม้นี่นี่อินทนาอนนี่ทำไมไม่มีแต่ใจเราไม่ได้เข้ามานีใช่ไหมล่ะมันไปนู่นเนี่ยจิงมนก็รู้กนอกมันเรู้ตัวเองถ้านอกมันร่าจริงแต่ตัวเองัไม่่างเลยตัวเองนี่แหละที่จุลยิชา เคยใช่ว่างอรันนี้ครับเปิดัหมดเลยนี่หมดปัญหาเองว่าอะไร้างอะไรไม่ว่างเคยหมดปัญหาเรากระช่งกันหมดภายในก็หมดข้างนอกก็หมดนี่เคยยกครอบเยียวยาทางนั้นเหบอ่ะห้องนี้ขนของให้หมดในห้องนี้ผนน้อของให้หมดน่ะเดู ห้องหมดแไปดูเรห้องนี้ว่างหรือยังห้องนี้วางไหมพบปัไปดูจุการห้องมองกันว่างหมดไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรคังคืนสห้องเลยหนักหนึ่งว่างอะไรเนี่ยท่านคนองห้องแล้วท่านจะแค่บ้างห้องว่างแล้ท่านออกมาที่พ็ออกมาพบห้องว่างน่ะตะคุมาของเราพิจารณาอะไรแล้วันว่างหมดไอตัวถิดนไม่ว่างไปเองน่ะคุณ่ายคำนวณเข้ามาที่นี่พี่ถอนตัวนี้ออกอัตตาไม ความถจิเป็นตนอย่าีอันนั้นไม่ถอว่เป็นตนเป็นตนกระทำแต่นี่มันถูกเป็นตนหึ่งอนท่านเอานหมดหนกะว่างนะจิง่งกว่างทะลุเจ้าของว่างนล้วนะถ้าเจาของว่างอยู่ไหนไม่ไม่ว่างเันยุ่่นแหละอย่แบบนี้หนักกคนน่าทำถิ่ยิ่งใจอยู่นี่